รายการธรรมจัดสรรสนทนาธรรมใต้ร่มโพธิ์ วันนี้ผู้ที่ให้ความการุณามาโปรดถึงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะคะก็เป็นพระอาจารย์รูปหนึ่งที่ไม่ธรรมดาแน่นอนงานของท่านก็มีทั้งบรรยายธรรมะงานเขียนซึ่งมีทั้งในรูปที่เป็นบทความแล้วก็เป็นหนังสือรวมทั้งมีงานแปลด้วยน ะ, ะปกติแล้วดิฉันเคยเห็นแต่งานเขียนหรือได้ยินแต่เสียงของท่านวันนี้ก็รู้สึกยินดีเหลือเกินที่ ท่านการุณามาโปรดพวกเราทีมงานแล้วก็มาเยี่ยมถึงสถานีนะคะจุดหนึ่งที่พระอาจารย์กริบและก็ทีมงานเห็นว่าเรื่องที่น่าสนใจและทุกคนต้องประสบคืคอเรื่องที่หนีไม่ได้ท่านบอกว่าเป็นบททดสอบที่ยากที่สุดและสำคัญที่สุดของชีวิตก็คือความตายและท่านที่จะมาโปรดเราก็เป็นผู้นำของโครงกา ร, รเผชิญความตายอย่างสงบ โครงการนี้จะมีที่มาอย่างไรทําอะไรหรือว่าน่าสนใจยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะได้กราบเรียนท่านนะคะตอนนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังเสียงค่าของท่านนมัสการเจ้าค่ะขอเชิญพระอภรค่ะเสียงนี้นะคะท่านพระอาจา ร, รย์ไพศาลมิสาลโลค่ะก็นอกจากดิฉันนวพรส ป, ปิงคลัดแล้วก็ยังมีทีมงานที่มาร่วมสัมภาษณ์หลายท่านนะคะ ก่อนจะไปเรื่องโครงการก็อยากกราบเรียนถามเรื่องประวัติอย่างคร่าวๆของพระอาจารย์นะคะปัจจุบันนี้ท่านอยู่ที่วัดไหนะเจ้าคะตอนมาตอนนี้ก็อยู่วัดป่ามหาวันอําเภอภูเขียวจังหวัดชยภูมิแต่ว่าโดยตำแหน่งเนี่ยเป็นเจ้าวัดอีกวัดหนึ่งวัดป่าสุกโตอําเภอแก่งครอจังหวัดชายภูมิทั้งสองวัดก็ห่างประมาณสัก1ิกิโเมตร ยังไงเป็นเจ้าอาวาสที่1แล้วก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งเจ้าคะอ๋อคือที่วัดป่ามหาวันซึ่งอาตมาอยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นวัดที่มีป่าเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีพระไปดูแลอาตมาก็เลยไปเป็นหลักที่นั่นที่นั่นมีป่าอยู่ประมาณสามพันไร่สามพันไร<ล>่เป็นป่าต้นน้ําชั้น 1A ซึ่งถ้าไม่มีพระอยู่เนี่ยก็จะถูกทําลายไปเรื่อยๆราะนัะ้นอาตมาก็เลย ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีพระสักสองสมรูปนี่ไปช่วยเป็นหลักสองสมรู ป, เ, รปเองราคาละว่าราคาคารวะรรว น, นี่ก็ก็คือชาวบ้านซึ่งอยู่ห่างจากวัดประมาณสัก 2- อสกิโลก็จะช่วยโดยเพราะช่วงหน้านี้นี่เป็นหน้าแรงเพราะนั้นเนี่ยจะมี<ฟ>ปัญหามากเช่นไฟป่าคือถ้าไม่มีพระอยู่ไม่มีวัดตั้งก็คงจะหาคนมารวบรวมกาลังชาวบ้านนี่มาช่วยดูแลป่าไม่ได้ที่วัดป่าสุกตซึ่งอัตราเป็นเจ้าว่าเนี่ยมีพระอยู่เยอะ ประมาณที่ ร, รู ป, รปเจ้าคะ่ะเยอะที่นี่ก็เยอะตามมาตรฐานของอีสานนะประมาณสิบสรูปน ะ, ะอาจจะเทียบกับทาง <c oughs> กรุงเทพไม่ได้แต่ในระแวกนั้นก็ถือว่าเยอะมากเพราะว่าบางวัดก็มีพระแค่รูป2รูป๋ต่นี้จะเป็นอย่างนั้นในชนบทที่วัดป่าสุกโตก็มีพระอยู่ประมาณสิบถรูปแล้วก็มีคารวะอีกมาปฏิบัติธรรมอีก20 30ิาและที่จอนเข้ามาอีกอาทิตย์ละ40่สิบห้าสิบอเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคนดูแลอยู่เยอะ วัดป่าสุกโตก็มีป่ามกันนะประมาณห้าร้อยไรก็เรียก oh, ว่าร่มรื่นตอนนี้ก็เรียกวางใจได้แล้วเพราะว่าทางหลวงพ่อคําเขียนซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาท่านเป็นประธานที่นั่นท่านก็จะช่วยดูแลเรื่องการรักษาป่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คิดว่า oh, oh. คงจะไม่มีปัญหาที่วัดป่าสุกโตมากแต่ว่าที่วัดปาา่ามหาวันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยจะอยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นประจํา แต่ว่า<ม>พอช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็อาจจะกลับไปที่วัดป่าสุกโตปีเป็นปีนะค่ะแล้วจริงๆนี่พระอาจารย์บวชมานานหรือยังเจ้าคะ่ะบวชตั้งแต่ปี 2-5-2-6 <ม>แล้วยังไงคะท่านถึงตัดสินใจที่จะเข้าเพศเนี้ยเจ้าค่ะอ๋อคือก่อนบวชเนี่ยอาตมาเรียกว่าเหนื่อยกับการทำงานคืออตาตมาเนี่ยเป็นคนที่สนใจในเรื่องสังคมตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนก่อน1ิตุลาใช่ค่ะ 1> 1, แล้วก็ทํากิจกรรมทางสังคมตั้งแต่เป็นนักเรียนไปออกค่ายที่ชนบทมีไปร่วมในช่วงชมลมตุลาคมอย่างนั้นด้วยอ๋อช่วงประท้วงก่อนที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยก็ไปร่วมประท้วงที่ธรรมศาสตร์รวมด้วยสมัยเป็นนักเรียนท่านอยู่ธรรมศาสตร์หรือเจ้าคะตอนนั้นเป็นนักเรียนตอนมาเรียนโรงเรียนไอสัมชัญนอ๋อยังเป็นนักเรียนอยู่ม4เนคือสมัยนั้นอย่าความตื่นตัวทางด้านสังคมการเมืองเนี่ย มาเริ่มมีในหมู่นักศึกษาแล้วก็ลงมาถึงนักเรียนอัตมาก็ตื่นตัวมาตั้งแต่ช่วงตอนนั้นแล้วแล้วก็พอได้เวลาเข้ามาหาวิทยาลัยก็ไปเข้าที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าไปอยู่ชมนุพุทธนะความคิดเนี่ยอาจจะต่างจากนักศึกษาธรรมศาสตร์ต่างยังไงจังไงในช่วงนั้นเพราะว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ทำกิจกรรมในช่วงนั้นก็จะเป็นแนวคิดถ้าเรียบแบบภาษาปัจจุบันคือแนวที่แบบซ้ายซ้ายคือเชื่อความเชื่อเรื่องแนวทางสังคมนิยม นวทางสังคมนิยมแล้วก็มีจีนเป็นแม่แบบแล้วก็อาจจะเชื่อได้ว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นต้องใช้ความรุนแรงใช่ไห ม, มคือการปฏิวัติแต่ว่าตมาเนี่ยก็เริ่มมาสนใจพุทธศาสนาตั้งแต่กว่า14ตุลาแล้ว16แต่ว่ามาศรัทธาจริงๆเนี่ยก็คือช่วงหลัง14ตุลา16แล้วก็คือมา17ปี17 18 18, 18เข้าเมาชื ตอนั้นก็เชื่อในเรื่องของแนวทางสันติวิธีและอหิงสาแบบคาร์ทีมีกลุ่มเดียวกับพระอาจารย์ไหมเจ้าคะก็มีอย่างเช่นตอนนี้เป็นคารวาลังคือพระประชามประสานธรรมโมใช่ไหมคุณลักษณะตัวสิโตโกลซึ่งพหกเราจุลจักดีคุณพัฒนาจันทราสันติซึ่งเป็นนักเขียนเพ่อจะอยู่ไปอยู่เป็นกลุ่มนักศึกษาชุมนุมพุทธซึ่งเราเห็นด้วยกับนักศึกษาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดเป็นประชาธิปไตยหรือว่ามีความเป็นธรรมในสังคม แต่ว่าไม่เห็นด้วย่างวิธีการใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นก็จะมาอยู่ชุมนุมพุทธแล้วก็มาทํากิจกรรมเกี่ยวเรื่องการนําเอาพุทธศาสนากับสังคมนี่มาเชื่อมโยงกันคราวนี้พอเกิดเหตุการณ์6ตุลา16เนี่ยซึ่งเกิดการนองเลือดที่ธรรมศาสตร์มีคนตายอาจจะเป็นร้อยมีคนถูกจับ300คนอัตมาก็ถูกจับด้วยอ้าวสันติวิธีแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือเรื่องที่พูดแล้วยาวนะคือตอนนั้นเนี่ย ถึงแม้ว่าไปอยู่ที่ธรรมศาสตร์แต่ว่าเราเคลื่อนไหวโดยสันติวิธีเจ้าค่ะนะแต่ว่าอยู่ที่ชุมนุมพุทธแล้วก็ตอนนั้นก็ทําการอดอาหารประท้วงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือจอมพลถนอมเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งทางนักศึกษาทําไมล่ะถือเป็นทรราช14ตุลาเนี่ยนะกรับมาที่เมืองไทยในรูปสามนเณรแล้วมาบวชที่วัดบวรนักศึกษาก็ประท้วงกันใหญ่เพื่อที่จะให้ขับไล่สามนเณรหรือพิ่สุทนอมเนี่ย ออกจากประเทศหรือแม่ก็ดําเนินคดีเพราะว่าเขาถือเป็นอาชญากรรมตอน14ตุลาเนี่ยมันผิดกฎหมายเนี่ยสังหารประชาชนใช่ไหมมันผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายหรือแม่ก็ต้องออกจากประเทศนักศึกษาเลยประพวงอันนี้คือที่มาของเหตุการณ์6ตุลาซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะลืมกันไปแล้วคนนี้นตามาเนี่ยอยู่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นก็น อ, อยู่คณะศิลป ศ, ศาสตร์ศิลป ศ, ศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ความรุนแรงไม่เกี่ยวแต่ว่า ตอนนั้นวกเราที่ชนนุ่มพูดเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวภันคณะสงฆ์เพราะคณะสงฆ์เนี่ยไปสับสนให้จอมพลถนอมเนี่ยกลับประเทศแล้วก็บวชให้ด้วยใช่ไหมก็เหมือนกับเป็นการไปรับรองความชอบธรรมความถูกต้องของจอมพลถนอมบวกเราที่ชนนุมพูดก็เลยอดหาประท้วงเพื่อขอให้คณะสงฆ์เนี่ยได้แก้ปัญหานี้อย่างโดยวิธีของชอบพุทธแล้วก็ตระหนักถึงความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาเพราะว่าถ้า อาจอนพลถนอมเข้ามาประเทศในสถานภาพของพิกษุเนี่ยก็ทําให้คนไทยจํานวนไม่น้อยเนี่ยเกิดความรู้สึกตั้งคําถามกับสถาบันสงฆ์ว่าทำไมไปให้ความร่วมมือกับจอมพลถนอมซึ่งในทางกฎหมายถือว่ายังมีมณทินอยู่ก็ทางตมาก็เลยไปร่วมประท้วงอดไปได้กี่วันแค่แค่สองวันเองก็เกิดเหตุการณ์หกตุลาตุลาหนึ่งตุลาหนึ่งเกก็ถูกจับแต่ว่า เป็นการเคลื่อนไหวคนละกลุ่มกับศูนย์นิติศซึ่งตอนนั้นเป็นแกนนําในการประท้วงรัฐบาลการนี้เนี่ยอัตมาเมื่อออกมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าคือ6ตุลานี่มันมันมีการรัฐประหารตามมาก็มีการจับกลุ่มคนจํานวนมากโดยที่ไม่พื้นศาลมีการจับนักโทษการเมืองมากมายมีคนเป็นต้องเลือกหลายพันถูกจับอัตมากับเพื่อนๆก็เลยตั้งกลุ่มที่เรกลุ่มประสานงานาศาสนาเพื่อสังคม ซึ่งเขามีอยู่แล้วก่อนถกตุลาแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรจริงจังพวกเราเราก็เรมมาลื้อฟื้นขึ้นมาอากลุ่มนี้ก็มีทั้งพุทธมีทั้งคริสคาทอลิกและโปรเตสแตนเป็นผู้นำเราก็มารวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องให้สังกลุมไทยเนี่ยเกิดความสมานฉันเราก็พยายามนำเอาศาสนาเนี่ยมาเป็นตัวเชื่อมประสานในการทำให้เกิดความสมานันท์ในสังคมเพราะตอนนั้นเนี่ยมันมีความแตกแยกระหว่างซ้ายกับขวาซ้ายก็เข้าป่า ไปจับประวุธส่วนขวานี่ก็อาศัยกองทัพรถถังปืนใหญ่เครื่องบินไปบุกขยี่ในป่าในชนบทมันมีนายโน้มจะเกิดสงครามกลางเมืองตามมาแล้วเราก็เรียคิดว่ า, าศาสนาจะต้องเข้ามาเป็นตัวผสานทําให้เกิดสมานฉันท์ซึ่งจะทำเฉะนั้นได้ต้องมีการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและมีการเคารพสิทธิทมนุษยชนกันแน่นะมาก็จะทำช่วงนี้แล้วก็คือตอนนั้นเป็นนักศึกษาปีสองธรรมศาสตร์ก็พยายาม ทำเรื่องการรักษาสิทธิมนุษยชนการช่วยเหลือทั้งโทษการเมืองรวมทั้งการรณรงค์ให้มีการนิรโทษกรรมทั้งโทษการเมืองเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์นระหว่างคนในชาติเพราะว่าคนเหล่านี้ถูกจับโดยที่เขาไม่ได้ใช้อาวุธแต่ว่าเขาไปประท้วงรัฐบาลเพียงเพราะว่าเขาคิดเหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลการไปจับเขาก็ทําให้คนจํานวนหนึ่งเห็นว่าสังคมไทยไม่เปิดทางให้กับการต่อสู้ด้ยสันติวิธีก็จะเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ ขณะที่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์นี่คือสภาพเมื่อ30ปีที่แล้วแล้ใช้เวลานานไม่คะจะประสบความสำเร็จนะคะประมาณรัตมาเคลื่อนมาอยู่2ปีนะรัฐบาลก็ยอมนรลทศกรรมรัฐบาลตอนนั้นมีการปฏิวัติอีกครั้งหนึ่งโดยพลเอกเกียงศัก์รัฐมาที่ปฏิวัติ25 2 0ันหีเนี่ยมีนโยบายที่จะสร้างความยอมรับในหมู่ประชาคมโลกก็จะมีการ เริ่มปล่อยนักโทษการเมืองเพราะถ้าเราไม่ปล่อยนักโทษการเมืองเนี่ยเราก็จะถูกต่างชาติมองแล้วก็ถูกกดดันรัฐบางปีสองหนึ่งก็เลยออกกฎหมายในรัฐกรรมนักโทษการเมืองในพรศหกตุลาซึ่งมีคุณสุดธรรมแสงประทุมเป็นอดีตเลขานุสิสิ์เวลานั้นคนที่เป็นผู้นําในการเมืองในปัจจุบันหลายคนเนี่ยล้วนแต่มีคดีหตุลาเท่านั้นเช่นคุณสุดธรรมแสงประทุมอาจจะรวมถึงคุณพินิจจันทรสมบัติผู้นําเหล่านี้เนี่ย โดนคดี6ตุลานะครับคราวนี้รัฐบาลประกาศในรัชสกรรมคุณสุธรรมสาวัฒนุมและคณะก็เลยพ้นผิดอัตมาซึ่งถูกจับในคดี6ตุลาก็ก็เลยเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนนั้นไปอยู่กี่วันเจ้าคะโดนี่ยอยู่3นะวัน6 <3 S 2> นตุลาถึง9ตุลา19คราวนี้อัตมาก็ทำกลุ่มาาาาประสานงานสาธารณสังคมเรื่อยมาตั้งแต่ปี19เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคดีละเมิดสิทธิมนุชนเยอะไม่ใช่เฉพาะกรณี6ตุลาเจ้าคะมีการจับ คนในชน บ, บทข้อหาคอมมิวนิสต์ตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากเราก็ไปทำงานเรื่องนี้เพื่อช่วยให้บ้านเมืองเนี่ยเขามีการเคารพเสรีชนกันเปิดโอกาสให้มีการใช้สิิทธเสรีภาพซึ่งตอนหลังก็ทำให้เกิดคำสั่งห6ท2523คำสั่ง6 6ทั2523นี่เป็นคำสั่งซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าทาให้เปิดทางให้ คนที่ร่วมพักคอมมิสต์เนี่ยกลับมาพัฒนาชาติไทยที่เราได้ยินาว่าผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ย mm hmm. พวนี้คือพวกที่ที่เรียกว่าอาจจะมีส่วนร่วมเข้าไปในแวดวงกระบวนการแล้วก็ตอนหลังพอมีคําสั่งของสุวัพสตรสซึ่งออกโดยโปนกเบรมติมสูลานน์ mm ์ hmm. ก็ทําให้ทุกคนกลับมาสู่เมืองได้โดยสันติวิธีก็เรียกว่ากระบวนการต่อสู้ทางการเมืองก็ยุติ อาตมาก็ทํางานเรื่องพวกนี้อ่ะหมายถึงเรื่องการเรียกร้องสิทธิมนชนเนี่ยจุกทั้งหน่ปี26กตัวเลวร์เป็นเวลาเปีตั้งแต่ปี1 9ึ่กถึงสอก็เหนื่อยพอจบแล้วก็ยังไปช่วยในกลุ่มนี้ด้วยคือตอนนั้นเจ้หลังเริ่มเปลี่ยนเราไปทําเรื่องตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเด็กขาดหารคือกลุ่มปาสานงานสารประสานคนทำอะไรเยอะจริงๆท่านเรียนศิลปศาสตร์แต่ไปช่วยเหมือนกับกลุ่มที่เป็นพวกของคมสงเคราะห์ คืออัตมาสนใจศิลปศาสตร์คือประวัติศาสตร์เนี่ยสนใจในส่วนตัวเ ป, ป็นเน้นในสาขาประวัติศาสตร์เป็นความสนใจในส่วนตัวเพระาะ อ, อัตมาชอบอ่านหนังสือเรื่องประวัติศาสตร์แต่ว่าเรามีสํานึกทางสังคมคมีสํานึกทางการเมืองซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนหนุ่มสาวเนี่ยโดยพระธรรมศาสตร์นะไม่ว่าจะเรียนทางด้านศิลปะวรรณคดีภาษาอังกฤษหรือว่าจะเรียนทางด้านเศรษฐศาสาตร์หรือนิติศาสตร์หรือบัญชี หลายคนจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับสังคมการเมืองไปออกค่ายไปช่วยเหลือเด็กยากจนคือตอนนั้นเป็นกระแส ข, ของนักศึกษาโดยเฉพาะธรรมศาสตร์แล้วก็ไปที่มหิดลบ้างแต่ว่าธรรมศาสตร์นี่จะขึ้นชื่อในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียนสาขาไหนไม่สาคัญ <c oughs> ใช่ไหมไปออกค่ายไปช่วยเหลือคนลําบากเดือดร้อนให้ตาก็ทำเนี่ยต้นหลังพอเรื่องสิทธิมนุษยชนดีขึ้นแล้วตมาก็ไปทําเรื่องเด็กขาทหาร ทำไมถึงไปสนใจเด็กขาดอาหารเจ้าคะประมาณช่วงปี2อ2ศูนเนี่ยเมืองไทยมีปัญหามากคือความยากจนเด็กขาดอาหารเนี่ยเด็ก6 0สที่อายุต่ำกว่าสิบสีปีเนี่ยเป็นโรคขาดอาหารลองนึกภาพว่าเมืองไทยเนี่ยเราเป็นเมืองส่งออกข้าวใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเราส่งออกข้าวเนี่เป็นล่ําเป็นสันแต่ว่ามีเด็กขาดอาหารเนี่ยปีหนึ่งหลายล้านคน 60% ของเด็กอายุ14ขาทหารมีเด็กตายเพราะขาทหารระดับ3มเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเป็นพันคนแล้วเพลินปี 2-2 เนี่ยเป็นปีที่ทางสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีเด็กสากลของโลกเป็นปีเด็กสาก ล, ลตัอมาก็ทำโครงการแด่น้องผู้หิวโหยแด่น้องผู้หิวโหยเนี่ย นะชื่อนี่อเป็นชื่อโครงการของของพวกเราไปหาเงินเนี่ยไปช่วยเด็กขาดอหารในชนบทตอนนี้ก็ยังยังมีชื่อตอนนั้นเนี่ยก็ไปช่วยเด็กช่วยทําศูนเด็กหรือว่าสนับสนุนโครงการอ่านกองวัฒนธรรมให้กันเด็กเงินงบประมาณนี่ได้มาจากไหนจะคะเรารับบริจาคจากคนทั่วไปอันนี้คือที่เราเรียก NGO ไงเพื่อตะมาเนี่ยเริ่มทํา NGO มาตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็คือว่าตอนทำรูกอมมูนิเด็ก ซึ่งเกิดขึ้นมาหล่ๆกันประมาณปี2องหนเราก็ทําโครงการหาทุนรับบริจาครวมทั้งทําผ้าป่าข้าวคือเอาข้าวและเงิบริจาคเนี่ยไปช่วยโครงการหารกางวันในชน บ, บทซึ่งทั่วประเทศเลยเจ้าคะมีประมาณสัก78จุดที่เราดําเนินการอย่างใกล้ชิดคือเราไม่สามารถทําทั่วประเทศได้เพราะว่ากําลังเราน้อยอ๋อมีจุดแล้วคัดเลือกอยังไงเจ้าค่ะคือหนึ่งต้องมีผู้นํา ในชุมชนเช่นเป็นครูหรือเป็นพระซึ่งตรงนี้เป็นเหตุทําหมอัตมามาพบหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านถ้าไมีพระปฏิบัติก็จริงที่จังหวัดชายภูมิแต่ว่าท่านเป็นห่วงเรื่องเด็กท่านก็ทําศูนย์เด็กเป็นแห่งแรกในจังหวัดชายภูมิศูนย์เด็กเนี่ยสมัยก่อนเป็นเรื่องแปลกก็คือเอาเด็กในหมู่บ้านเนี่ยมาอยู่ที่วัดแล้วก็ให้อาหารกลางวันพ่อแม่ก็ไปไล่ไปนาใช่ไหมท่านเห็นว่าพ่อแม่เนี่ยพาเด็ก ไปไล่ไปนานเนี่ยเด็กป่วยอบางทีเด็กเป็นไข้เลือดออกเพราะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นป่าการหักล้างถังพงเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคไข้เลือดออกมาริเอะมาริเอะตอนนั้นที่นั่นไม่ค่อยมีอ๋อเป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกแล้วก็แค่เจอแดดเจออะไรนี่ก็ป่วยนะแล้วก็โรคเกี่ยวเรื่องทางเดินหายใจเด็กป่วยท่านก็เลยสงสารเด็กก็เลยเพรว่าทางวัดเนี่ยรับดูแลเด็กเองเยอะไหมเจ้าคะตอนนั้นก็ประมาณ 30 40ิบสีส่ได้ oh. เด็กก่อนไวเรียนเด็กก่อนไวเรียนนะคราวนี้พ่อแม่ก็ไปไล่ตามสบายใช่ไหลุงพ่อท่านก็รับเด็กเหล่านี้มาเฉพาะอาหารกลางวานันแล้วก็เลี้ยงดูแลเด็กคือเช่นว่าให้เด็กนอนแล้วก็ลุงพ่อท่านสอนหนังสือให้เด็กด้วยอ๋อจ้าค <c oughs> ่ะจะวั <c oughs> นเด็กเล็กในปัจจุบันนี้มังคะ <c oughs> ใช่ใครเป็นคนดูแลคะอาสาสมัครจะเข้าไปทํางานตรงนั้นนะคะอ๋อตอนนั้นหลุงพ่อท่านเป็นหลักกับแม่ชีกับพระในวัด คือมสมัยนั้นเนี่ยศูนย์เด็กนี่เป็นของแปลกนะไม่มีไม่มีมม<ช>ยิ่งวัดเนี่ยยิ่งไม่ทําแล้วก็ท่านก็เป็นรูปแรกๆในจอมชยภูมิที่ทําเรื่องนี้ซึ่งอาตมาเนี่ยก็เพิินไปได้ข่าวออตอนนั้นเป็นคารวะอยู่ทําโครงการแต่น้องผู้ยุ่งหยก็เลยไปช่วยสนับสนุนท่านค<ส>ือตอนหลังท่านขยับมาทําเรื่องสากรข้าวเพราะว่าอยู่บนเขาข้าวเนี่ยเอาขึ้นมาบนเขาเนี่ย คือชาวนาเขาทำไร่มนสำปะหลังเขาไมได้ปลูกข้าวก็ต้องซื้อข้าวกินข้าวมันอยู่ในเมืองอยู่ในข้างล่างไม่มีหลังไปแลกข้าวเอามาสำปะหลังไปขายแล้วก็ซื้อข้าวซื้อข้าวจากข้างล่างขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีถนนต้องปีนขึ้นเขาเพราะนั้นเนี่ยกว่าจะมาถึงข้างบนเนี่ยมันราคาแพงชาวบ้านก็ยากจนท่านก็เลยทําสากรอนข้าวคือซื้อข้าวมาเยอะๆแล้วมาขายในราคาถูกๆให้กับชาวบ้าน ต่อมา ก, ก็เลยเห็นว่าโครงการดีๆก็เลยทำผ้าป่าข้าวปี 2-3 งหาทุนจากคนที่สนใจแล้วก็บริจาคข้าวด้วยแล้วก็เอาขึ้นไปคือมันมีทางรถจากเชัยภูมิขึ้นมามาที่ถ้ามาไฟหวานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำเงี้ยเรามีโครงการหลายแบบเพื่อที่จะสนับสนุนความ เ, เรียเรอ่มในชุมชนที่ทำเรื่องเด็กาทหาร หรือทำเรื่องแก้ปัญหาความยากจนและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ธรรมารู้จักหลวงพ่อคาเขียนแล้วปี26เมื่อธรรมาจะบวชก็เลยนึกถึงท่านทําไมคิดจะบวชเจ้าคะก็ทํางานมาเจ็ปีกัเหนื่อยเหนื่อยแบบล้าล้าจกนกระทั่งว่ามันล้ากายหรือล้าใจเจ้าคะรู้สึกว่าทั้งสองอย่างนะ่ะแต่ว่าใจนี่เป็นหลักอาการหนึ่งที่ปรากฏคือว่า ความรู้สึกว่าอันที่หนึ่งนอนไม่หลับนอ น, นายากานอน ย, ยากเพรันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่าน<อ>มันคิดการทํางาน ม, <อ>มีแต่เรื่องคิดเรื่องคิดเรื่องคิดแล้วก็เครียดแล้วพอวถึงวันเสาร์อาทิตย์หยุดไม่ได้ความรู้สึกว่ากระสับกระส่ายเนี่ยนะมันทําให้เราต้องทำโน่นทํานี่ไม่ได้หยุดเพราะความคิดเงี้ยความคิดมันแล่นทําให้เราเนี่ยจะพักก็พักไม่ได้จะอยู่เฉยเฉยก็อยู่ไม่เป็นเพราะว่าความคิดนี่มันพาล่นไปใช่ไหมถ้าไม่ไป เดินตามห้างไปดูหนังสือตามร้านก็ต้องไปหาเพื่อนไปพูดไปคุยสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์มันยังเป็นของหายากโทรศัพท์บ้านยังหายากนะไม่ต้องพูดถึงโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้ก็ผมต้องอยู่กับโทรศัพท์คุยให้ห ม, หมดเวลาเป็นชั่วโมงชั่วมงแต่สมัยนั้นไม่มีก็ต้องไปหาเพื่อนไปคุยคือใจนี่มันวุ่นกายมันก็เลยวุ่นตามไปด้วยคือกระสับกระส่าย แล้วก็นอนก็นอนไม่หลับพักผ่อนก็ไม่ได้เต็มที่แล้วก็เรี่มันคือไปทะเลาะกับคนโน่นคนนี้ไปทะเลาะกับเพื่อนมีความหงุดหงิดราคาญใจสมัยนั้นอารมณ์ของท่านเป็นยังไงเจ้าค่ะคือเดิมก็เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วใช่ไหมพอจิตมันกระสับกระส่ายเนี่ยมันมีอะไรกระทบก็จะหงุดหงิดง่ายออืแล้วก็จะไปทะเลาะเอาคนซึ่งมางทีเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีกับเราแต่เขาจะพูดไม่ถูกใจเราก็โกรธพูดง่ายคือว่าเป็นช่วงที่เริ่มเสียศูนย์ อาตมาคิดว่าเออเป็นพ่อเราพักผ่อนน้อยเกินไปนะก็ไปเที่ยวไปดูหนังไปชนบทวิธีผ่อนคลายของของท่านตอนนั้นมีมาร่วมวงอะไรกันไหมคะร่วมวงดื่มอะไรไม่ไม่มีคือคนที่ไม่ชอบตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแล้วเคยลืมมันกันนะตอนเล็กๆก็ไม่ว่ามันอร่อยตรงไหนบุหรี่เหล้าก็เหมือนกันก็เคยทดลองตั้งแต่เล็กๆก็ไม่ไม่มีความรู้สึกชอบเพราะฉันเนี่ยก็ออกไปทางดูหนังนะ หนังเออดูแล้วมันก็สบายใจพอดูเสร็จแต่พอดูเสร็จอยากดูอีก <c oughs> ะ ค, ะคือมันมันเสร็จติดแล้วงไงเจ้าค่ะอัติละครั้งไม่พอแล้วพออย่างที่เรามาว่าคือพอดูเสร็จมันก็อยากจะดูอีกแล้ว <c oughs> คือมันเกิดอาการเสร็จติดขึ้นมา <c oughs> ไปเที่ยวไปสุโขทัยไปเชียงใหม่ไปเกาะก็สบายแต่พอกลับมาเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยการเดินทางแล้วก็เครียด แลก็กลับสู่วัฏจักรเดิมๆก็เลยรู้สึกว่าไอ้นี่คงไม่ใช่คําตอบอ๋อตอนนั้นเริ่มเห็นแล้วเอ๊ะเที่ยวไปตั้งเยอะดูหนังไปตั้งเยอะเอ๊ะทำไมมันยังมันยังไม่หายทุกสักที เ, เพราะว่ามันเป็นการพักผ่อนแต่กายแต่ว่าใจไม่ได้พักผ่อนด้วยดูหนังก็คิดไปด้วยอารมณ์ขึ้นลงไปตามเร<อ><อ>ดูรละครในหนังใช่ไหมไปเที่ยวก็ใจก็ไม่ได้ว่างใช่ไหมก็นั่งคิดอะไรไปอ่านหนังสือ แล้วก็กายก็เหนื่อยด้วยเพราะว่าไปเที่ยวมันก็ต้องขึ้นรถลงเรือสมบุกสมบัติกลับมาก็เหนื่อยก็เลยคิดว่าสงสัยเราต้องพักใจละอืก็เลยแล้วพักใจยังไงอพักใจก็ต้องทําสมาธิตอนนั้นเนี่ยอย่างที่ว่าอาตมาสนใจเรื่องนี้มาในทางความคิดเนี่ยสนใจมานานเพราะว่าอยู่ชุมนุมพุทธสนใจเรื่องงานเกี่ยออาาวกับเจ้าทั้งพุทธธาตุอ๋อตอนนั้นคือเริ่มอ่าน เริ่มอ่านของท่านพุทธทาสก็เริ่มอ่านแล้วแล้วใครที่เป็นคนสอนฝึกปฏิบัติที่ท่านบอกว่ามีนั่งสมาธิ<ก>อะย่างเงี้ยเจ้าค่ะทำเองบ้านแล้วก็ไปตามสํานักเช่นไปสํานักท่านพระโพ ธ, ธิศัตว์ของพระอาจารย์คาตันตอนนี้ท่านเกษียณไปแล้วนะฮเจ้าค่ ะ, ะท่านพระโพ ธ, ธิสัตว์ก็ไปฝึกที่นั่นท่านพิจารณาอย่างไงเจ้าค่ะก็ตามลมหายใจแต่ทรมานมากเลยเพราะว่าใจมันอยู่นิ่งไม่ได้ คนในมือเนี่ยมาอยู่ในวัดป่าเนี่ยมันกระสับกระสายไม่มีหนังสือพิมพารไม่มีธรรษทธ์ ด, ดูเจ้าค่ะจิตมันก็ยังคิดวุ่นมันอยู่กับตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอให้ปฏิบัติอยู่ในห้องมันก็จะอยู่ไม่ได้เพราะจิตมันวิ่งมันวุ่นตลอดเวลาอันนี้ก็คือที่เราว่ามันทําให้เกิดความกระสับกระสายยิ่งนั่งไปแทนที่จะสงบยิ่งเป็นมากขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีวินัย น, นะ มีความเพียรมีศรัทธาที่มั่นคงเนี่ยอยู่กับมันนานๆเนี่ยสักสี่ห้าวันเนี่ยก็จะเริ่มเข้าที่แต่ตมาเนี่ยไม่มีวินัยพอเพราะเป็นคารวานนะไงใช่ไม่มมันก็หาเรื่องหาเข้าแก้ตัวกลับบ้านก่อนเวล า, ามั่งทำโน่นทำนี่บ้างอเอาหนังสือมาอ่านบ้างก็เลยคิดว่าจะต้องเล่นงานกับตัวเองให้จริงจังก็ต้องมีวิ น, นัยก็เลยคิดว่าต้องโบดแล้วมั้ง เพราะการบวชจะทำให้เรามีวินัยที่จริงจังแล้วก็เป็นการสร้างเงื่อนไขผูกมัดตัวเองนี่คือที่มาของการบวชแล้วตอนนั้นคิดจะบวชจะบวชนานแค่ไหนเจ้าคะก็แค่บวชแค่สมเดือนก็เต็มที ค, คือสมเดือนก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วน ะ, ะเพราะว่านั่งสมาธิแค่สมวันยังยังหาเรื่องยังหาเรื่องหนีเลยใ ช, ใช่ไหมแล้วตอนนั้นรู้หรือเปล่ า, าว่าแนวการสอนของพ่อคําเขียนตามจากที่หงพ่อคาตัน ยังไม่ชัดเจนแต่รู้ว่ารู้ความเขียนเนี่ยท่า น, นเป็นเป็นลูกศิษย์หลวงพอ่อเทีย น, นอ่านหนังสือของหลวงพ่อเทียนอยู่บ้างจากเอกสารของกลุ่มศึกษาหรือปฏิบัติธรรมซึ่งอาตมาที่สมาชิกก็พอจะรู้ว่าต่างกันแต่ว่าก็คิดว่าอยากจะลองดูเหมือนกันเพราะว่าตามาทำอนาปาเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยดีมันั่นเครียดก็เลยคิดว่าลองมาใช้วิธีของหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนนี่ลักษณะเป็นยังไงเจ้าค่ะ ก็ให้มีสติเคลื่อนไหวกับกายโดยใช้การเคลื่อนมือเป็นจังหวะเรียกว่าสร้างจังหวะมีสิจังหวะแต่ว่าตัวจังหวะมันไม่ใช่เรื่องสําคัญประเด็นคือว่าให้ใจรู้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวเมื่อรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นรู้สึกกับรู้สึกตัวนี่มันเป็นเรื่องเดียวกันมันใกล้กันมากเมื่อใดก็ตามที่เราเพลิดคิดนึกเนี่ยความรู้สึกก็จะหายไปอันนั้นเป็นเครื่องหมายว่าความรู้สึกตัวมันไม่มีแล้ว แต่เมื่อะด็ตามที่จิตมันระลึกขึก้นมาได้ว่าเผลอคิดไปอันนั้นแหละสติก็จะทำงานดึงจิต ก, กลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายเช่นสร้างจังหวะและก็การเดินจงกลมโดยไม่ได้ปิดตาอันนี้คือวิธีการซึ่งอาตมา ก, กว่าจะเข้าใจวิธีนี้ก็ใช้เวลานานนะนานขนาดไหนเจ้าคะ่ะก็สาอาทิตย์ <3 S 1> คือทอาผิดไงแรงๆนี่รู้สึกยังไงคะ่ะคือทำไม ไ, ไปเพ่งไปเพ่งเวลายกมือเนี่ยก็ไปเพ่งที่มือ เวลาเดินงลงก้มก็เพ่งที่เท้าเวลาคิดก็ห้ามความคิดอืมพอมันกําลังจะคิดออกก็แบบเบร ก, ก, กเลยเกิดเลยน ะ, ะมันมันหายบุบไปเลยแล้วก็ทําอยู่บ่อยๆทงอยู่บ่อยซึ่งความคิดมันก็ฉลาดเรารู้ว่ามันจะมาคิดเรื่องนี้ก็คอยท่าเพ่งดูเข้าดูความคิดไปแล้วว่ามันจะมาไม้นี้หรือเปล่ามันก็ไปออกคิดเรื่องอื่นเช <c oughs> ่นเราดูว่ามันจะชอบคิดเรื่องไปเที่ยว พอมันคิดลงไปเชื่อมมาแล้วก็เบรกมันทันทีมันก็เผลอคิดเรื่องธรรมะนะยังคิดว่าตัวเองคิดเป็นกุศลคิดอะไรออกมาวิเคราะห์ธรรมะเรื่องไตรลักษณ์เรื่องปฏิจจาพอเรารู้ว่าเผลอคิดไปเออมันจะมาคอยเพ่งเรื่องวิเคราะห์ธรรมะเราคอยเฝ้าดูมันไม่ให้มันออกมาทางนี้มันก็ไปคิดเรื่องว่าเออเราจะ พาคนมาปฏิบัติทําได้ยังไงคิดหาโครงการพาคนมาปฏิบัติทำมันมาเงี้ยแล้วก็เพลอคิดเก้อเพลยคิดมันไปพอเรารู้เราก็ไปเบรคมันแล้วก็คอยตั้งท่าดูมันคือวิธีแบบนี้เนี่ยทําไปทําไปเนี่ยมันเครียดมันเครียดจนกระทั่งว่าไอความคิดเนี่ยมันหลบในัอัตมาใช้คำว่าหลบหนคือมันหายไปเลยมันหายไปเลยมันไม่ออกมาไปตามคนมันก็ไม่ออกมาแปลกมากแต่มันหนัก ความคิดไม่ออกมาแต่แทนที่จะเบานะมันหนักพอเป็นไปได้สักวันสองวันเนี่ยคือมันออกมาเหมือนกันนะแต่มันออกมาแบบกระปิกระปลอยมากแล้วมันหนักเพราะจิตเราเพ่งจิตมันเพ่งมันก็หลบเงี้ยแต่ว่าพอนอนเนี่ยโอนออกมาพรั่งพรูอย่างเลยพอจะนอนเนี่ยมันพรั่งพรูออกมาจนกระทั่งนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วปวดแขนปวดขาใช่ปวดแขนปวดขาปวดแขนจนยกมือไม่เคยขึ้นปวดขาจนเดินตรงกมไม่ค่อยไหวแล้วจิตมันเพ่งนะจนกระทั่งว่าแค่ยกมือเนี่ย ครั้งสองครั้งนะ น, นะมันเครียดทันทีเลยจิตมันเกรงมากมันเพ่งซึ่งทําแม่อรรมาปฏิบัติไม่ได้มันทุกข์มาก ร, ร า, า, กาไรอาจารย์แกยังไงเจ้าคะต้องแก้ตัวเองเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านพูดเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไม่เข้าใจเพราะาเราไปใช้วิธีแบบเดิมๆที่เราเคยทํามาคือทํำแม่มันต้องเพ่งทํำแม่ต้องสืนทํำแม่ต้องทําด้วยความอยากแต่ว่าไอการที่เราพอเริ่มทําไม่ไหว เพราะร่างกายมันมันทนไม่ได้บวดเครียดแล้วก็ตึงล้าเนี่ยก็เลยคิดว่าวิธีนี้คงจะไม่ใช่วิธีของเราแล้วก็เลยคิดว่าจะอยู่อีกสักพักให้ครบเดือนตามที่ตั้งเจตทิษฐานไว้คือทิฏฐานว่าจะทำเต็มที่เนี่ยให้ได้ครบเดือนถ้าไม่ได้ผลก็จะไปที่อื่นอาจจะไปสวนโมกตตนนั้น3มอาทิตย์นี้ <c oughs> ก็รอค่าเวลายอาทิตย์หนึ่ง ระหว่างนั้นเนี่ยมันไม่มีความอยากไม่มีความกระตือรือร้นใจมันปล่อยมันบอกว่าก็รอปล่อยค่าเวลาแต่ก็พยายามทำโน้นทำนี้ไปนะเช่นว่าก็พยายามพักผ่อนคลายจิตเช่นนั่งครึงนิ้วไปใครสอนศาสตร์นี้เจ้าคะครึงนิ้วครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเออถ้าอยู่บ้างว่าคลึงนิ้วบ้างกระดิกนิ้วบ้างก็เทียนท่านสอนว่าถ้าเกิดไปนั่งรถเมล์ไปไหนเนี่ยเออหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ย ถ้าเราจะยกเนี่ยมันจะเป็นผิดปกติ oh. เราก็ใช้คลืน่นมิลพอออกจากวัดเราไปไหนมาไหนถ้าสังเกตเห็นลูกซิ์ก็จะเหมือนกับไม่อยู่นิ่งจะคลึ่นนี้มากหรือบางทีถ้าถ้าไม่คลื่นนี้เราก็เปลี่ยนเป็นทําอย่างอื่นแต่วลักษณะก็คือให้มีการรู้ที่การเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพื่พอเป็นการเจริญสติตลอดวัน24ชั่วโมงแต่ตอนนั้นตอนที่ทําเนี่ยก็ทําแบบเรียกว่าไม่ได้หวังอะไร ค, ะคือทําแค่รีแลกซ์แล้วก็คอยให้เวลาผ่านไป เพราว่าความเครียดมันคลายลงอแล้วก็ทําให้เริ่มรู้สึกดีขึ้นเริ่มรู้สึกดีขึ้นเราก็เลยลองปฏิบัติใหม่ปฏิบัติโดยพยายามที่อะไม่ให้จิตมันเพ่งไม่ให้จิตมันไปเกาะหรือไปคอยห้ามความคิดตอนนี้อะมันมันต้องใช้วิธีการแงจิตออกมาเพราะจิตมันเพ่งมากมันเพ่งจนมันแงไม่ง่ายเลยการที่จะแงะง่ายเราต้องเอาจิตออกนอก ต้องหาทางไปกำหนดจิตไปที่ข้างนอกตอนนั้นกำหนดไปที่ไหนไปที่ประตูเวลาเดินจงกลมใช่ไหมแล้วก็ไปกำหนดจิตที่ป้ายที่ประตูห้องน้ําซึ่งอยู่สุดทางตรงกลมเพื่อดึงจิตออกจากการเพ่งเข้าในค่ะให้มันสมดุลกันทําไปมันค่อยๆคลายค่อยๆคลายค่อยๆคลจิตที่มันเคยประกบแน่นเนี่ยแล้วค่อยๆแงออกมาค่อยๆแงออกมามันค่อยดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็พอทำํำไปสักสีห้าวันรู้สึกว่า มันก็แปลกคือเราได้รู้ทันความคิดมากขึ้นเห็นความคิดแล้วเรารู้ซึ่งก็แปลกใจว่ามันรู้ได้ไงในเมื่อไม่ได้ตั้งใจจะให้มันรู้มันก็รู้ขึ้นมาเองความคิดที่มันเคยยาวมันก็สั้นลงสั้นลงก็กลายเป็นเพลินกลายเป็นสนุกก็แปลกว่าทําไมเราเดินไปเดินไม่เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันรู้เองมันรู้เองตรงนี้แสดงว่าสติมันเริ่มเป็นนิสัยของจิต มันก็ทําไปเองมันเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้พยายามทําซึ่งผิดมากกว่ถูกแต่ส่วนที่ถูกเนี่ยมันก็ทําให้สตินเนี่ยเริ่มมีความรู้ตัวตื่นรู้มากขึ้นก็กลายเป็นว่าไอ้ที่ครบเดือนแล้วจะไปส่วนโมกก็เลยเลิกก็เลยคิดว่าเราคงมาถูกทางแล้วมั้งก็เลยปฏิบัติแต่ปฏิบัติด้วยความที่เราด้วยความเพลิดมากขึ้นและด้วยความศรัทธาว่าโอ้พอระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพบสติได้ยังไงสติ น, นี่มัน มีพารนุภาพมากซึ่งคนธรรมดาคงยังไม่มีทางพบอนุภาพของสติแบบนี้ถ้ะไม่ได้ปฏิบัติเพราะนี่คือสิ่งแปลกเพราะว่ามันอยู่เหนือการคิดมันอยู่เหนือรประสบการณ์ประจำวันที่เราเคยพบก็เลยปฏิบัติแบบนี้จนครบสามเดือนก็ได้เวลาสึกเตรียมจะสึกแล้วมันเดือนเป็นเดือนพฤษภาพอคิดถึงวันที่จะสึกมันอะไรรู้สึกว่าว่าต้องทิ้งชีวิตพระไป ก็รู้สึกว่ายังทำใจไม่ได้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนคือที่ศึกไปจะศึกไปเพื่อว่าจะไปช่วยเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็ทํางานหนักต้องรับภาระแทนเราก็เกรงใจเขาอ๋อคืองานก็ยังไม่ดีอยู่ยังมีอยู่ฮะใช่แต่เพื่อนก็บอกว่าก็ถ้าอยากบวชต่อก็ไม่เป็นไรปงกลัวว่าถ้ากลับไปทํางานจะไปอารวาสใหม่ก็เลยคิดว่าเออเราก็บวชให้ได้พรรษาดีไหมพฤษธสภาใช่ไหมก็บวชต่ออีกสองเดือนก็เข้าพรรษา ข้าพันสาก็ออกบรรษาแล้วค่อยว่ากันอีกทีเพราะฉะนั้นก็เลยขยายจาก3เดือนก็เป็น8เดือนกะว่าออกบรรษาค่อยไห้ทีและตอนข้าบรรษานี่ก็เลยไปอยู่กับหลวงพ่อคำเขียน mm hmm. จริงจะไปอยู่กับหลวงพ่ อ, อเขีนตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วหลวงพ่อคำเขียนต้องบอกว่าสุกโตมันลําบากกันดารให้มาอยู่กับหลวงพ่อเทียนที่วันสนามในดีกว่ามีครูบาอาจารย์การเป็นอยู่การขรบฉันก็สะดวกก็เลยมาอยู่ที่ วัดสนามในกรุงพัทเทียนหลวงพ่ อ, อเขียนนั้นก็มามาแต่ลครั้งมาให้กำลังใจแล้วก็มาชี้แนวทางปฏิบัติที่จริงหลวงพ่อเทียนนั่นก็มาให้อารมณ์อยู่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นพออยู่วัดสนามในได้สักพักตั้งแต่มีนาจนถึงกรกฎาก็เขี้ยวพอสมคูรแล้วอยากจะไปออกปีวิเวกในป่าก็เลยไปวัดป่าสุกโตไปเข้าพรรษาที่นั่นแล้วก็เลยไปอยู่ บนเขาลุงนั้นสืบมายาสจากคือพอครบพรรษาใช่ไหมฮะก็คิดว่าเอองั้นเราบวชได้ครบปีก่อนดูซิว่าจะเป็นยังไงออกครบปีแล้วก็บอกว่าเอาบวชต่อยปีหนึ่งแต่ในใจตอนนั้นเนี่คิดไม่ออกนะว่าเราจะบวชได้สิบปีได้ยังไงแค่ห้าปีนี้ก็นานเกินพอแล้วค่ะไม่กล้าคิดนะว่าเราจะบวชได้นานแล้วคิดว่าคงลำบากสภาวะนะตอนนั้นนะคะ ท่านพิจารณาทางโลกกับทางธรรมแล้วเห็นคุณและโทษยังไงชิ่งหนึ่งที่ทำให้ตมาบวชพระได้ก็คือการเห็นว่าชีวิตทางโลกนี้มันทุกข์มากกว่าการที่จะมีชีวิตทางโลกเนี่ยให้สูงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็ยังเข็ดลาวกับชีวิตทางโลกอยู่ช่วงวิกฤตชีวิตที่มันเสียศูนย์ก่อนบวชเนี่ยก็ยังประทับนั่นในใจ แล้วก็ยังไม่แน่ใจเลย ว, ว่าถ้าศึกไปแล้วเนี่ยเราจะกลับไปสู่วัฏจักรเติมเดิมหรือเปล่าคือชีวิตที่มันเคลียดหาความสุขไม่ได้กระสับกระสา่ายทะเลาะเบาแวงกับผู้คนแล้ว ก, กลัวกับชีวิตแบบนี้ mm. ก็เลยคิดว่าบวชต่อไปเรื่อยๆน่าจะดีกว่าเวลาคิดจะสึกไปก็นึกถึงชีวิตคารวะของตัวเองด้วยแล้วของคนอื่นด้วยก็รู้สึกว่าเป็นการยากที่เราจะมีความสุขในเพศคารวะ เพราะเราเป็นครัวว่แล้วก็คงต้องมีครอบครัวมีครอบครัวแล้วก็ใช่ว่าจะมีความสุขเพราะว่าเห็นชีวิตครอบครัวของหลายๆคนในเรต่องของโยมพ่อโยมแม่ของเพื่อนก็รู้สึกว่ามันยากแล้วก็ความคิดช น, นี้ก็เลยทำให้ลังเลใจเวลานึกจะสึกขึ้นมาเนี่ยพอนึกถึงชีวิตครัวว่าแบบนี้แล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกโ oh, อย้ยยากนะเราคิดว่าการที่เป็นพระนี่ แม้จะทุกข์อยู่บ้างแต่คงจะทุกข์น้อยกว่าชีวิตคารวะความคิดแบบนี้เนี่ยก็คอยย้ำเตือนทำให้ความตั้งใจที่จะศึกเนี่ยไม่ค่อยรุนแรงมีความคิดเมือกันแต่มันไม่ถึงกับเป็นความตั้งใจเป็นแค่ความคิดที่แว บ, บผ่านมาแล้วก็ก็ไม่ได้จริงจังอะไรแต่ถามว่าจะบวชต่อไปได้นานๆไหมก็ไม่กล้าแล้วไม่เชื่อมันเรายมพ่อยมแม่ของพระอาจารย์เจ้าคะ ท่านสนับสนุนให้บวชหรือว่าให้ออกมาทํางานเถอะที่แรกๆท่านก็สนับสนุนให้บวชนะเพราะท่านกลัวว่าถ้าศึกมาแล้วเนี่ยจะไปทํากิจกรรมทางสังคมซึ่งมันเสียงคุกเสียงตารางที่เราต้องการให้บ้านเมืองเนี่ยมันอยู่บนฐานของหลักนิติธรรมเพราะถ้าบ้านเมืองเนี่ยมีการเคารพสิทธิมนุษชนมีการเคารพหลักนิติธรรมแล้วเนี่ยความรุนแรงมันเกิดขึ้นได้ยากบ้านเมืองเราก็จะหลีกเลี่ยงจากความรุนแรง จากสงครามกลางเมืองได้คือตอมาชื่อเรื่องสันติวิธีและเชื่อว่าสันติวิธีเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการที่เราสร้างพื้นฐานทางด้านสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยและความเป็นธรรมเอาไว้ก็เลยให้บวช ด, ดีกว่าเออบวชแล้วลเนี่ยจะได้ไกลคู่ไกลตารางใช่หมใช่ <laughs> ค่ะอย่างน้อยตอมาเคยติดคุกมาทีแล้วสาวันนะช่วงของตุลาพอบวชไปนานๆท่านก็เริ่มเริ่มมคิดถึงแล้วว่าแล้วเราจะอยู่อย่างไงคือมีพี่น้องมีพี่อยู่สาม <laughs> Mm hmm. มีน้องอยู่หนึ่งแต่เสียไปก่อนที่อาตมาจะบวชอธตมาก็เป็นคนสุดท้องตอนนั้น mm hmm. คือทางที่บ้านท่านคงมองว่าอธตมมเนี่ยคงจะบวชได้ไม่นานอาจจะบวช10ปี15ปีถึงตอนนั้นเสือออกมา mm hmm. ก็จะตามเขาไม่ทัน mm hmm. ใช่ไหมนี่คือความห่วงของพ่อแม่ <Okay. S 2> คือกลัวลูกจะตามไม่ทันจะมาสึกมาแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นจากศ mm ูน hmm. ย์ใหม่ mm hmm. ก็เลยคิดว่าไม่ให่บวชนานที่จริงแมก้กระทั่งอุปชาตของอธรรเนี่ย เป็นเจ้าว่านอยู่ที่วัดทองทับภคุณประเทพสุทธีเนี่ยอาตมาไปหาท่านไปกราบท่านอยู่บ่อยๆเวลาเข้ามากรุงเทพท่านก็จะถามเมื่อไห่จะสึกคือท่านก็เป็นห่วงแบบผู้ใหญ่ไงคือท่านก็รู้ว่าคนหนุ่มอย่างเราเนี่ยคงบวชไม่ได้นานแล้วถ้าบวชไม่ได้นานแล้วสึกออกมาเนี่ยมันจะตามไม่ทันเขาก็คิดว่าถ้าไม่คิดบวชนานเนี่ยสึกออกมาเร็วๆจะดีกว่านี่คือความคิดของผู้ใหญ่แม้กรทั่งพระท่านก็คิดแบบนี้อืใช่ไหม เพราะในคุณทางผมเห็นประสบการณ์ว่าหลายคนที่บวชนานแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอสึกออกมาเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะตามทันก็ได้แล้วพระอาจารย์คิดยังไงเจ้าค่ะพระธรรมมาไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะธรรมาก็เป็นคนที่ว่าเป็นคนที่ชีวิตนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากอยู่แล้วแล้วคิดว่าตัวเองก็มีวิชาวความรู้ใช่ไหมหนังสือนั่งหาเป็นคนสนใจศึกษาเรื่องภาษาก็พอรู้ ไม่พอรู้ว่าเจ้าค่ะเพราะว่าพระอาจารย์มีงานแปลเยอะหนาเล่มหนามากอันนั้นก็อาจรมาคิดว่าคงจะเอาตัวรอดได้คือถ้าเราเป็นคนที่ไม่ไม่คิดจะรวยนะที่ว่าอยู่รอดได้แล้วก็เป็นคนที่จบหมหาวิทายาลัยเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีโอกาสได้เปรียบกับคนทั่วไปซึ่งเขาจบป .4 ป .6 เป็นส่วนใหญ่